พัก่ทนี่เหรอะภวาค่ะาาอยที่นี่ค่ะอข้างล่างนะะอาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ทีุ่ดที่ขุดปสองุดหนึ่งุดเคออุดหนึ่ง้วคุณแม่อยู่ขุดเก้าใช่ามค่ะอยู่ได้กี่วันแล้วนะอยู่ตั้งแต่วันเสาร์ค่ะอาจารย์อไปอยู่กี่วัน อยู่จนถึงวันาทิตหน้าดีไหมสบายดีไหมดีมากค่ะมีทุระอะไรบ้าง ม, มีอะไรจะถามบ้างทำ ง, งานอะไรอยู่ทำ ง, งานอะไรเป็นวิศวะค่ะอาจารย์วิศวะอะไร มอสร ะ, ะไฟฟ้าค่ะทำนี่ห้อทำอยู่เป็นบริษัทของสิงคโปร์ค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่ที่อยุธยาค่ะผลิตไฟฟ้าเป็นชิ้นส่วนของฮาร์ดิสค่ ะ, คะอาจารย์ของอบริษัทอะไรของยี่หอ้อชิ้นส่วน คือที่บริษัทอะค่ะผลิตให้กับ w d กับ Western Digital กับ C s e a g a t e อะค่ะอาจารย์จะเป็นพวกชิ้นส่วนเล็กๆข้างในมันนะคะทำหลายชิ้นอะหไม่ชิ้นเดียวทำหลายชิ้นค่ะอาจารย์เป็นพวก IC ใช่ป่ะเป็นพวกเป็นพวกางาน stamping อะค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบ precision stamping จะแซมมองมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ mm hmm. จะเป็นเหมือนกับเป็นแบบแคลมดิสของไอตัวฮาร์ดดิสเนี้ยค่ะแล้วก็ mm hmm. จะเป็นพวกเหมือนกับพวกเซลเวชพวกแบบอเหมือนกับช่วยถ่วงถ่วงข้างในตัวฮาร์ดดิสอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เป็นไงเงินเดือนดีหเงินเดือนดีค่ะอาจารย์ mm hmm. ตอนนี้ลางานเมาค่ะลางานมาค่ะพระอาจเขาเวลาได้ยาวเลยค่ะก็ก็ขอลาเขาอาทิตย์หนึ่งค่ะพระอาจารย์คุณแม่เลยค่ะค uh ุณแม่ก็ชอบปฏิบัติเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แม่เปนแม่บ้านค่ะคุณพ่อยังอยู่หรือเปล่าคุณพ่อไม่ได้อยู่กับคุณแม่นานแล้วค่ะพระอาจารย์ ถ้าเรามีพี่น้องกี่คนมีน้องสาวอีกหนึ่งคนค่ะน้องสาวทำอะไรน้องสาวตอนนี้ก็คือกําลังสมัครงานอยู่ค่ะอาจารย์ก็เรียนจบนะคือจบมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้ว่าเขาอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนะคะก็เลยตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับออกมาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะเรียนเข้าจบอะไรมา เขาจบเ อ, อาร์ตอินเนาะค่ะพานการจบอคล้ายๆอักษรที่เอแบกเนาะค่ะแล้วไม่ชอบทำ ง, งานที่ไปยทำอยู่ใช่คือเขาเขาก็ยังเหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากแบบอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยค่ะพันการหนูก็เลยก็เหมือนกับว่าก็ถ้าเขาอยากเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขา อ, อยากจะทํา อาจารย์ถ้พี่เขาจะได้ออกมาปฏิบัติทำได้เอออเคมนเกี่ยวกันยังไงก็คือถ้าน้องเขาสามารถเหมือนกับช่วยเรียนดูคุณแม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้ก็จะได้ออกมาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะไม่ทํางานนี่เลยก็อาจอาอกคือจริงๆหนูอยากจะออกแต่ว่าหนูอาจจะต้องเหมือนกับว่าอาจจะทําเป็นแบบ พาทไมแบบว่าสอนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ า, จายจัน อ, อาจจะแบบใช้เวลาวันละสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะ อ, อาจจะเป็นช่วงเย็นแบบรับจ้างสอนหนังสือแทนนะคะก็หนูก็คิดเอาไว้แบบเนี้ยค่ะพ า, จายจันหนูรู้จักกับหมอนี่นะค่ะหนูเพิ่งมารู้จักกับคุณหมอค่ะหนูนรู้จักกใครที่หนูมานรู้จักกรยจกค่ะพายจัน กมาฟังธรรมทุกกะทินะฮะพระอาจารย์มาเป็นปีๆแล้วเลยจำไม่ได้คนเยอะไม่ได้ใครไป่มองใครมองคนคนเยอะไม่ไม่จดไม่จำเลยจำแต่ตัวเราทนเยียพอเหลือลืมตัวคอยดูตัวเองตลอดเวลาคนอื่นไม่ค่อยได้รู้ อยู่ปั๊บแล้วก็ผ่านไปอยู่ปั๊บแล้วก็ผ่านไปไม่เอามาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุ บ, นบั น, นเห็นปั๊ก็เป็นอดีตไปแล้วคุยกันเสร็จก็เป็นอดีตเดี๋ยวครางหน้าเจอถามยังไงจำไม่ได้จริงๆ้องถามบ่อยๆมันยัง จ, จำได้คุยกันปับน๊บนึงเดียวอีกหเดือนมาเจอกันจำไม่ได้ นี่ก็ยจาได้แต่จาไม่ได้แล้วเป็นเคยสัมภาเหมือนกันเป็นพนักงที่ส hmm? mm ุพการแล้วก okay. ็ท่องมันไม่ทำแล้วก็เปยมปรึกษาอาจารย์ว่าจิตว่างอาสารปฏิบัติธรรมอาจารย์ห้ามาวยว่าอย่าเลยแต่ก็เลยเป็่นความคิดไม่ได้ทำแล้วก็ไปช่วยงานปฏิบัติธรรมที่เช่นช่วยหลพอสุตสักวันไม่ถึงโยม็แต่ปัจจุบันก็ยังมี เปิดห้องบรรยายนทำอยู่ครับเราทุกเรืองครับดีการช่วยเหลือคนอื่นก็ดีแต่ช่วยเหลือตัวเราดีกว่ า, าตัวเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ควรจะให้ความสัมพันธ์กับการช่วยตัวเราเองก่อนและต่อไปเราจะช่วยคนอื่นได้มากอาตอนนี้เราช่วยก็อืินแบบไม่สมบูรณ์ แล้วก็อาจจะมาทำให้เราวุ่นวายใจได้ถ้าเรามีอะไรมีสมบัติมีอะไรมันก็ต้องคอยดูแลคอยจัดการเราก็แทนที่จะเอาเวลามาปฏิบัติเราก็ต้องมาคอยดูแลจัดการคอยต้อนรับคนคอยอะไรตา่างๆเวลาที่เราจะมาทำประโยชน์ให้กับตัวเราเองก็เลไม่มี อันนี้มันเป็นแนวทางของพระโพธิสัตว์เด็กพวกที่ยังไม่อยากจะทําประโยชน์ให้กับตัวเองอยากทําประโยชน์ให้คนอื่นก่อนก็ถูกกิเลสมันกันไม่ไม่ให้ทําเวลาจะปฏิบัติทําคนเดียวรู้สึกว่ามันหงุดหงิดมันไม่ค่อยจะสนุกเหมือนกับเวลาจะช่วยคนอื่ น, อนจริงๆมันเป็นกิเลสแต่มันก็เป็นกิเลสฝ่ายดี มีความเมตตาเรียกว่ามเมตตาบารมีแต่ถ้าใช่ไม่ถูกใช้ไม่ถูกทางใช่ไม่รู้จักขอบเขตนี่ก็กลายเป็นกิเลสมันทำให้เราไม่มาทำ ง, งานของเราแต่ถ้าช่วยเหลือคนเนื่องจากมันมีเหตุการณ์บังคับหรือจำเป็นให้ช่วยก็ช่วยไปพอไม่มีเหตุการณ์เราก็กลับมาทำ ง, งานของเราต่อ ไรเงี้ยําไม่เป็นกิเลยแต่ถ้าอยากจะช่วยคนอื่นก็ยังไม่อยากจะมาช่วยตัวเองอันนี้มันก็กลายเป็นกิเลยสมันก็จะทําให้ติดอยู่กับงานช่วยเหลือคนอื่นไปเรื่อยอย่างงปู่มานนี้ท่านช่วยเหลืคนอื่นถึงก็อายุหกสิบเอาหกสิบว่าท่านบอกไม่ไหวแล้วตัวเองยังไปไม่ถึงไหนเลยต้องหนีไปอยู่ในปาน่าคนเดียว หวงอายุ60สถึงเจตามประวัติของท่านท่านไปอยู่เชียงใหม่ไม่ยุ่งกับใครแล้วทีนี้ไม่สอนใครใครยะมาหามาขออยู่ด้วยไม่ให้อยู่อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ให้แยกกันไปเพราะงานนี้ต้องงานคนเดียว อ, อยู่คนเดียวงานมันเป็นแย่ต่อเนื่องการพิจารณารมการควบคุมใจให้สงบนี่ มันต้องทำตลอดเวลาพอไปทำเรื่องอื่นปับมันก็เลยไม่ได้ทำเรื่องนี้อันนี้เราก็วิเคราะห์ไปเองเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดของหลวงปู่มันนะแต่เท่าเท่าที่ได้ยินท่านก็เป็นอาจารย์สอนคนก่อนหน้านั้นอยู่เป็นพาพระเนไปทุดงไปพาญาติโยมปฏิบัติธรรม อยู่ดีๆท่านก็หนีไปอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีเหตุแล้วทำไมต้องหนีไปอยู่คนเดียวเมื่อก่อนทําหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่บรรลุน้อท่านถึงรู้ว่ามันไม่ไมันไ ม, ไม่แล้วก็ประกอบมีคนเขาล่าว่าท่านเคยมีมีความปราทันนาพุทธภูมิอยู่ ม, มีปรารถนาพุทธคุณนี่ก็ต้องมีความเมตตาสูงตอนหลังท่านคงจะถอนถอนความปรารถนานั้นบอก อ, อสาวกภูมิก่อนดีกว่าก็เลยทิ้งเรื่องการดูแลช่วยเหลือู้อ่นอันนี้ก็ไม่ได้มไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตาแต่ว่ามันมันเป็นอุปสรรค อย่างเราเรียนหนังสือถ้าเรามัวไปทํากิจกรรมนอกนอกห้องเราจะไม่มีเวลามาทํากิจกรรมของเราเรียนหนังสือของเราเรียนกี่ปีก็ไม่จบเพราะมัวแต่จะไปออกไปทํากิจกรรมช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้นัียนได้ก็เลยคขอิตงเท่าที่วิเคราะห์ดูท่านจะคงขอขอพักเรื่องเมตตาด้วยก่อน ขอไปเคลียรปัญหาของตัวเองให้หมดตอก็เลยสิบปีอยู่ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านจะคคณธรรมเจดีก็ไปอาราธนาให้ท่านมาปรดมาสองเคราะาตโยมพระเนี่ท่านก็เลยกลับมาทนหน้าที่ใหม่ ่ีมาทำหน้าที่ต่อมาส่งครับมาเทศมาร้องสั่งสอนแต่ก็ทำได้ประมาณสักสิบปีท่านอายุประมากอายุ7 0็ดถึงแปท่านก็เสียแต่ช่วง70็ดสิบถึงแปท่านก็สอนพระเนรเยอะครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักกันก็ไปศึกษากับท่านในช่วงนี้หลวงตาก็ไปศึกษากับท่านในช่วงนี้ ออยอุที่ท่านเจ็ดสถึงาจไปอยู่ประมาณ8ปี น, นครูบาอาจารย์ด้ ก, ก็เหมือนกันก่อนหน้านั้นครูบาอาจารย์ที่เอาวโสท่านก็ไปไปศึกษากับท่านที่เชียงใหม่เป็นพักๆหลวงปู่ขาวหลวงปู่แวนหลวงปู่เทศหลวงปู่พันธ์เป็ น, า น, น, ปนบาอาจารย์ อาุโสแต่ช่วงที่ท่านมาอยู่แถวอุดรสะค น, นี้ก็มีพวกหลวงตาหลว ง, งปู่ล่าพระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันอาจารย์เหล่านี้ก็ได้โอกาสศึกษากับท่านในช่วงนี้ดังนั้นควรจะพุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติของเราก่อน ถ้าเรายังไม่ได้ขั้นไหนขั้นหนึง่งแล้วก็อย่าพุ่งไปสนใจเรื่องของคนอื่นนอกจากมันจาเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องทาก็ทำไปแต่ถ้าอย่าถ้าอยู่เฉยอย่าไปหาเรื่องไปทำอยู่เฉยเอาเวลาที่อยู่เฉยนี่มาภาวนาดีกว่ามาปฏิบัติ เราโชคดีเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครตั้งแต่เริ่มต้น mm hmm. ก็เลยไม่รู้จักใครไม่ยุ่งกับใครอะไร ม, มีเวลาภาวนาได้ตลอดเวลา mm hmm. ในเวลาไปอยู่วัดก็ไม่ยุ่งกับงานของวัดมา ก, กเท่าไหร่พยายามทําเท่าที่จําเป็นงานไหนที่ต้องทําว่าทํางานไหนที่เป็นกิจอาสาก็ไม่อาสา ถ้าเป็นงานบังคับก็ทำถ้างานอาสานี่ถอยเคุณผู้อาสาเล่าว่าลูกตาก็ไม่ให้พระอาจารย์ทำด้วยใช่ไหมครับก็งานบางอย่างที่งานก่อสร้างบางทีคิดว่าเป็นงานขวรจะร่วมไปทําก็ไปร่วมทําด้วยแต่ท่านก็ไม่ให้ทํานั่นก็คงจะบอกว่ามันเป็นงานอาสาสมัครไม่ต้องทำก็ได้ได้ ท่านก็ไม่ให้เราว่างมากเกินเกินไปเยวะท่านก็มอบงานให้เราทําอยู่ชิ้นหนึ่งคืองานส่งหนังสือธรรมะคนเขียนหนังสือจดหมายไปเขียนจดหมายไปขอหนังสือธรรมะจากท่านนั่นก็จะหวังให้เราเป็นคนจัดพอส่งไปทางไปรษณีครับก็ ม, มีงานนี้เป็นงานที่ท่านมอบมาให้เราทําแล้วคนหนุ่มก็ไม่ไม่ยอมทํา เวลาเรา ไ, ไม่อยู่เขาก็ทำแทนชั่วคาบพอเรากลับมาเขาก็มอมหมายคืนะอ <c oughs> เที่ <c oughs> ไอเราที่เราไปเราจะได้กลับมาจะได้หลุดไม่หลุด <c oughs> โยนกลับคืนตางไหนเราถ้าไม่อยากจะทำงานอะไรเลย <c oughs> อยากจะเดินโยงกลมนั่งสมาธิของเรา <c oughs> มันสบาย <c oughs> มันไม่วุ่นวายใจ <c oughs> ทำอะไรข้างนอกมันก็ต้องใช้ความคิด ใช่ความคิดแค่ต้องครับต้องจัดต้องหาเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษหมด mm. เดี๋ยวอะไรหมดก็ต้องเชื่อมหมดอะไรหมดก็ต้องคอยหาแต่อย่างว่าอยู่ในวัดมันก็ต้องช่วยหรือแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ mm. ตาท่านคงจะเห็นว่าถ้าไม่ให้งานเราทําเดี๋ยวงานจะเป็นเป็นเป้าของพระเองก็ได้อะไรมีงานให้ทําแล้น่นอนเป็น ยันกันผีไวไม่ให้ถูกดาเพราะที่นั้นเมีเวรต้มน้ำร้อนมีเวรอยู่สารามีมีเวรอะไรหลายอย่างเราเขาไม่ให้เราทำโชคดีก็เห็นว่าหลวงตาท่านเคยไล่เราเวลาไปช่วยทำงานก่อส้างแล้วท่านไล่เราไปเขาก็เลย คิดว่าหลวงตาเขาไม่อยากให้เราทำางานต่างๆล้วก็เลยรอดตัวปกติพราจะต้องถัดกันอยู่ที่สาราอาทิตย์ละครั้งละครงหนึ่งครั้งละหนึ่งอาทิตย์ไหว้คอยเวลาญาติโยมมาก็จะออกไปต้อนรับถามเขาว่าจะมาทำไมถ้ามาไม่ถูกเวลาก็บอให้เขากลับไปก่อนหรือให้เขารอ ถ้ามาตรงเวลาที่ควรจะพายเขาเข้าไปก็จะไปกับเรียนหลวงตาว่ามีญาติอยูมาแต่ท่าบอกให้เขาเข้าไปพระก็จะนําของเขาไปแล้วก็มีพระที่จะมีหน้าที่ดูงวงน้ํำปนานะเตรียมข้าวเตรียมรับประทานขอ ง, งต่างๆเตรียมต้มน้ําอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเก็บ างของก็ต้องล้างถ้วยล้างอะไรต่างๆเก็บเรียบร้อย ม, มีหน้าที่เรานลูกก็ไปมีหน้าที่ปฏิบัติหนงตาที่กุติไปเอาบาตรไปเอาจีวรท่านอันนี้ก็เป็นการฝึกการเสียสละการรับใช้ผู้อื่นรับใช้ครูบาอาจารย์ ทางพระเขาเรียกว่าอาจารย์วัดพระนี้จะต้องมีการท ำ, ทำงานรับใช้ครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านก็มีพระคุณท่านคอยอบรมสั่งสอนท่านคอยดูแลเรื่องสถ า, านที่อยู่ว่าศายอาหารการกินทัง้งหมดอยู่กับท่านก็สบายเพราะบาลมีของท่านมี ญาติอยู่มาทำบุญเยอะอันนี้เพื่อเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เขาจะให้พระอาจารย์กับลูกศิษย์นี้ต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่อกันท่านบอกว่าภาระของข้าพเจ้าคือภาระของท่านภาระของท่านก็คือภาระของข้าพเจ้าภาระของเราคือการศึกษาเรียนทั้ง่านก็ถือเป็นภาระในการอบรมสั่งสอน ภาระในการช่วยกว่าถทุกุติทักปีวอนร่างบาตก็เป็นภาระของลูกศิษย์ที่จะคอยรับเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมาจากที่ไหนไ ม, มามาจ า, จากสิ่งบุรีก <c oughs> ไปอาบน้ำโสหลงก่อหลงพ่อจะล้าอ่าเมื่อวานนี้เลยไปกันมาเช้ามือท่านเจมเมื่อวานนี้เใช่ค่ะแล้ววันนี้อาบน้ำาสกนไหใช่ค่อาบทังวันเลยไหมถึงสามสามโมงเย็นอาบน้ำลงก็จะเป็นจุ่มค่ะก็เลยไปตอนเช้าไปไม่เยอะค่ะประตอนออกก่อนออกมาก็ไปถึงน้ำมังกรตากลมท่านอายุเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดปห้าอนแปดสิบเจ็ดป ช่วงสมเด็จสังฆราชไม่ได้นหนึ่งหนึ่งร้อยปีกับยี่สิบยี่สิบเ็ดวันหลวงตาก็เก้าสิบแปดนี่ยืนก็ครบสามสิก็ครบห้าปีท่านท้ากับสมเด็จพระสังฆราชเป็นสังฆราชถ้าท่านเสีย1 0อยหนึ่ง แล้วก็เก็บไว้สอง ป, ปีร้อยสองตาก็ร้อยสองรอยสอ ง, อสอ ง, อสองตายไปก็ตายตอนอา ย, อยุเก้าสิบเจ็แล้วท่านก็ตอนนี้ครบห้าปีถ้าอยู่ถึงตอนนี้ก็ร้อยสองแต่พอแล้วนี่เก้าสิบนี่ก็ถือว่าเป็นเปี่ยนแล้ แต่หลวงตาวนี้ขนาด97ท่านก็ยังแข็งแรงนะก็ยังพูดยังจะยังทําอะไร ไ, ได้ไม่ได้อยู่อย่างสมเด็จสังฆราชนี่ท่านรู้สึกตั้งแต่90นี่ท่านจะพูดไม่ได้ไม่พูดใครมาเยี่ยมมากราบท่านก็เฉยๆเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจของท่านก็ยัง สมบูรณ์เหมือนตอนที่ร่างกายยังไม่ได้เป็นอะไรร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ใจเป็นเหมือนคนขับรถรถเก่าแล้วแต่คนขับนี่ยังประฉับประเฉงเหยียบมันพยายามเหยียบมันมันก็ไม่ยอมไปดี่ให้รู้ไว้แยกไว้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนใจเรานี่ไม่ได้แก่ตามร่างกาย ไม่ได้เจ็บตามร่างกายแต่เราหลงไปคิดเองว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็เป็นไปกับมันเหมือนมีนิทานเรื่องหนึのの่งเนียเขาเล่าให้ฟังว่าชายเลี้ยงม้าคนหนึ่งขาเทขาเป๋เดินไปก็ขาเป๋ม้ามันก็เดินขาเป๋ตามคนเลี้ยงมาเขาอยู่ด้วยกัน เลียงมันตั้งแต่เด็กนี่ตั้งแต่เล็กอตอขึ้นมาก้าวเดินเป๊ก้าเดินมากกเป็นก้าเป๊ะต่ามันไม่รู้จักวิธีเดินตรงตรใชนะ่ไหมคับอ่ า, <laughs> อามันคิดว่าอย่างนั้นคือเดิ น, น่นคอเดินอย่างนั้นว่า <laughs> ก็เป็นแ เ, เดินวิธีเดินที่ถูกต้องเดิน <laughs> แบบนั้นก็เดินต่ <laughs> ใจก็เหมือนกันพอออกมาก็ออกมาคู่กับร่างกายเพราะร่างกายคลอนมาใจก็เกาะติดอยู่กับร่างกาย จเจริญเติบโตกับร่างกายก็เลยแก่เจ็บตายตามร่างกายแต่ใจไม่ได้ตายใจไม่ได้แก่ใจไม่มีรูปร่างมันก็เลยไม่มีการจเจริญด้วยการเสือ่อมการจเจริญการเสื่อมของใจอยู่ที่ความสุขหรือความทุกข์ถ้าใจทุกข์ก็เสือ่อมถ้าใจสุขก็จเจริญ ใจสุขก็เพราะมีธรรมะมีความดีถ้าใจเสื่อมก็เพราะว่ามีปิเลดมีตัณหามีการกระทำไม่ดีเพราะนั้นพระอาจารสอนให้เรามาพัฒนาใจากันด้วยการสร้างธรรมะด้วยการทำความดีทำทานรักษาศีลภาวนา นี่เป็นการพัฒนาใจให้เจริญขึ้นไปตามลำดแบบับใจเจริญต่างกับร่างกายร่างกายเจริญด้วยขนาดใหญ่ขึ้นสูงขึ้นยาวขึ้นหนักขึ้นแต่ความเจริญของใจสูงขึ้นด้วยคุณธรรมคุณธรรมของมนุษย์คุณธรรมของเทวดา ค, รรคุณธรรมของพรมคุณธรรมของพระอริยะจ้า อันนี้จะเป็นสูงขึ้นไปตามลาดับคุณมาทำสูงขึ้นเท่าไงความสุขก็มีมากขึ้นครับเทวดาก็มีศีลห้าขึ้นไปถ้าพรมก็มีศีลแปดมีความสงบมีสมาธิถ้าพระอริยเจ้าก็มีปัญญานี่คือการเจริญของใจง ถ้าเสื่อมก็บาปถ้าไม่มีศีลหา้าก็ไม่เป็นม น, นุษย์ละเป็นเนรฉานเป็นเปรเป็นนิสลกายเป็นสัตว์นรกใจก็เสื่อมได้ที่เป็นนรกนี่ก็ใจใจที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ไปเป็นนรกก่อนเช่นเทวทัศน์นี่ใจของเทวทัศน์นี่ไปทำบาปมากเลยต้องไปใช้กรรมในอบายไปตกนรกครั พอใช้กรรมเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาพัฒนาใจมาบวชใหม่มาปฏิบัติธรรมใหม่แล้วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเพราะว่าเทวทักับพระพุทธเจ้านี้เป็นคู่กัดกันมาทุกภพทุกชาติถ้าเป็นนอกมวยก็อยู่ระดับเดียวกันแต่ไปต่อยแบบผิดกติกาปล่อยใต้เข็มขัดก็เลยถูกเขา้า สุดคลงทันไว้ไม่ให้แข่งไม่ให้ขึ้นเวที<ม>ต้องไปใช้ใช้รับใช้โทษแต่พอหมดโทษแล้วก็ขึ้นมาโชคบนเวทีห ม, ม่เขาเป็นระดับพุทธภูมิทระธานของพระเจ้านี่เป็นพวกพุทธภูมิเขา จ, จนนี้พระเจัาจะขึ้นมาเป็นพระเจ้าจอคะก็ยังไม่ได้ติดต่อเลยเราไม่รู้ <c oughs> <c oughs> 2,500 กว่าปีแล้วไม่รู้ไม่รู้หมดโทษแล้วยังไม่รู้ <c oughs> ่าดูไป <c oughs> ีอบเรียบร้อยไม่มีโางจอาจะมาเยี่ยมเราหลายครั้งก็ได้เ <c oughs> ไ, ไม่ถามก็ดูว่าเป็นเทวทัศนหรือเปล่า อ, อ, อาจจะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ ชาติก่อนนะจะเคยรู้จักกันอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้เขาเกิดในประเทศอินเดียไม่ใชอชาติก่อนเนะ่าจะอยู่ที่ไหนด้วยกันก็ได้มันมีหลายชาติมันไม่ใช่ชาติเดียวถ้าใครมาหาเรานี่มักจะเป็นเพื่อนเก่าเงี้ยอย่างนี้นนเาไม่มาหรอกใช่ไหมคนไม่รู้จักกันเขาไม่ไปหากันหรอกคนที่มาหาในส่วนใหญ่เป็นคนคนที่รู้จักกันมป็่อน ที่เราไม่แผลไม่ตาล้วไม่ต้อนรับเขาเนี่ยพอเขามาไลเ่าาลาเขาไปไม่มีใครมาเลยไล่หลายใครมาก็ตอนรับเขาหน่อยเป็นไง <c oughs> สบายดีหรือมาจากที่ไหน <c oughs> เาหลานี <c oughs> ่เียนั่ง <c oughs> คุยเคเคยรู้จักกันมาหรือเปล่าถามสาวระทุกสมบูรบด้วยงอ่อ่านี้เขาจะรู้กันได้ไงพวกที่เขาละลึกชาติได้เขาก็ระลึกกันแบบนี้แหละเขาต้องอ่ ถามถ่ายกันพร <Okay. S 1> าะจิตไม่ตายถึงว่าสามีเก่าเราเขาตายไป mm hmm. เดี๋ยวก็ อ, อาจจะกลับมาหาเราได้ถ้าเข้ามา mm hmm. ไม่ทันในร่างกายก็ mm hmm. าอาจจะมาเป็นนะเทวดามาหาเราก็ได้เห็นเวลามีมีดวงจิตดวงวิญญาณมาเยี่ยมก็อย่าไปกลัวไม่เขาไม่ทำํำร้ายเราหรอก ทำรายเราไม่ได้จิตทำร้ายจิตไม่ได้จิตมาทำลายร่างกายเราก็ทำรายไม่ได้ตัวที่จะทำร้ายเราคือความกลัวความบ้าของเราเไปกลัวเองไ่บ้าเอง <c oughs> แล้วไปคิดต่างๆนานามาเป็นนู่นเป็นนี่ <c oughs> ตัวความคิดนี่แหละเป็นตัว <c oughs> ทำลายเราไม <c oughs> แต่วังคีก็ไม่ได้จริงๆเรอนกับการ <c oughs> ว่าก็เราคิดมันไปเององก็เราแยกแยะได้ไงของมัน ของจริงมันพิสูจน์ได้เขาไม่จริงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่ให้พิสูจน์คิดว่าพิสูจน์ยังไงนะคะจากของจริงก็เขาเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ถามไปเรื่อยๆดูถามปไปเรืคุยาคุยยังไงยเถ้าคุยกันได้มันก็นถ้าคุยกันได้มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามาแว บ, บๆแล้วหายไปแล้วเราก็ว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็ว่าเป็นงเขายังไม่ทันว่าเขาเป็นใครเลย แสดงว่าที่หนูไปนั้นถึงถุงไข่เป็นจริงเนอะก็หนูไม่พิสูจน์ก็หนูถามก็อยุดตลอดนะใช่ใช่ค่ะที่เล่าให้อาจารย์ฟังไปต้องเป็นชั่วโมงจะไปเดินตามก็ต๊องๆๆองต้องผิดอาจารย์เขาอย่างการทำสมาธิค่ะคืออย่างที่เคยจิตรวมครั้งแรกนี่มันมัน อัศจรรย์ใจมากแต่ว่าพอครั้งต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าความอัศจรรย์ความตื่นเต้นเนี่ยมันมันไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีความความสงบความสุขอยู่คืออย่างนี้มันเป็นเพราะว่าเราเจอน่อยเหมือนกับโทรรถเตรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากพอครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็มันมันเฉยแล้วมันชินแล้วแต่ก็ดูว่ามันมันก็ได้รางวัลเหมือนกันมันก็รางวัลที่หนึ่งเหมือนกัน แต่ความรู้สึกที่มันสะเทือนใจมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะทั้งแรกนี้รู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากแต่ครั้งที่สองนี้รู้สึกว่าเออก็ดีแต่ก็ไม่ไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกอะไรเป็นครั้งแรกมันมักจะตื่นเต้นเพอาะครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมันก็ค่อยๆชินกับมาันแต่มันก็ดีอ่ะมันชอบมันของดี รวมแต่ละครั้งมันสบายจิตรวมแต่ละครั้งมันสบายแต่ข้างล่างนี่มันเป็นเหมือนกันไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเห็นจิตของเรามันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากจิตที่วุ่นวายแล้วจิตที่หวาดกลัวแล้วสงบตัวลงไปเฉยๆมันก็อัศจารย์ใจทุกอยางแต่ครั้งต่อไปมันก็อาจารย์ที่อย่างเงี้ยหนูนั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งๆหนูก็เลยนั่งดู จิตทำงานกับร่างกายไปเลยอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ไปไงจิตทํำงานกับร่างกายคือจิตมันไม่หนไม่เหมือนเป็นอะไรนะที่อาจารย์บอกตัปปนาไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็ก็นั่งดูแบบจิตมันทํางานกับกับดินน้ําลมไฟไปเลยอ่ะนั่งแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วได้ยินเสียงมันดังแจ๊ดไปหมดเลยในร่างกายอย่างนี้ที่รู้ถูกไหมคะอาจารย์มันยุบดับยุบ ถ้านั่งไม่สงบมันก็ไม่ถูกอะไม่ถูกใช่ไหมคะวิธีนั่งให้สงบมันต้องไม่ไม่ไปคิดไม่ได้ไปดูว่าเรให้ดูอยู่อย่างเดียวถ้าอยดูก็ดูลมอย่างเดียวได้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวไม่ใช่ดูไปสเปสตะดูนั่นดูนี่มาโน่นมาหนี่ถ้าอย่างนี้มันก็มันจะยังไม่สงบเลยเขาให้มันดูเรื่องเดียวถ้าอยากจะดูร่างกายก็ดูลมหายใจตอนที่นั่ง ถ้าพุทโธไม่อยู่ก็ดูลมหายใจดูหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้แถวปลายจมูกก็ได้รู้อยู่ตรงกลางหน้าอกก็ได้ถ้ากลางหน้าอกก็พวกยุบหนอพองเนาะเวลาเข้าไปมันก็พองเวลาลมหายใจออกมันก็ยุบก็ให้รู้ตรงกลางหน้าอกหน้าอกเราพองก็ยุบอยนี้ก็ได้ หรือจะดูที่ปลายจมูกก็ได้ก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวจะหยาบ จ, จะละเอียดก็ให้รูต้ตามความเป็นจริงของลมให้ให้เหมือนเราดูทีวีอย่างเงี้ยให้ดูเฉยๆแต่อย่าไปวิพาษวิจารณ์ดูให้รู้ว่าเอาตอนนี้ลมหายใจสั้นหายใจยาวเพราะว่าลมหายใจละเอียดก็รู้ไปลมหายใจหยาบก็รู้ไป ลมหายไปเลยก็รู้ว่าหายไปเลยไม่ต้องสกใจหายไปก็รู้ว่าเออมันมันหายมันไม่มันไม่หายใจมันพักหายใจชั่วครู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเพราะมันมันไม่ต้องการลมมากมันก็หยุดพักเดี๋ยวพอมันต้องการลมเดี๋ยวมันก็หายเราก็รู้ไปเฉยๆอย่าไปคิดกรุงแต่งว่าเอ๊ะมันไม่หายใจเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าเดี๋ยวก็กลัวพอกลัวมันก็ทาให้จิต ที่จะสงบกลับพุงขึ้นมาเหมือนพระชาจารยนี้เป็นสมถะธรรมฐานใช่ไหมครับที่พร ะ, าะอาจารย์จะได้ก่อนจะทำเป็นปรสนา<อ>นุธรรนั่นเองที่ปรสนานี้ต้องรอให้ได้ได้สมถะ ก, ก่อนถ้าเราทำควกผู้ไปเลยไม่ได้เหมือนกินกาแฟคุณยาวน้นําร้อนกับน้ําเย็นปนกันไนดะ้ไหมคุณยาวกาแฟเย็นแล้วเรากาแฟร้อน่คุณก็นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง จะดาสองอย่างมันก็ร้อ น, ก, น, น, ก, นก็ไม่ได้เย็นก็ไม่ได้สมถะก็ไม่ได้สงบก็ไม่สงบวิปัสสนาก็ตัดกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ปัญญานี่มันมันเป็นความคิดก็ได้นะแต่มันต้องคิดด้วยด้วยการเห็นเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเป็นภยัยต้องฆ่ามันไม่ใช่ส่งเสริมมัน ที่เวลาอยากดื่มกาแฟนี่ต้องหยุดดื่มไม่ให้ไม่ใช่ดื่มตามมันเพราะพระท่านดื่มมันก็ชวนให้ดื่มไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่มีดื่มก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์จากเรื่องดื่มกาแฟก็ต้องเลิกดื่มกาแฟไม่อยากดื่มกาแฟพอเลิกแล้วต่อไปถ้ามีใครเอากาแฟมาให้ดื่มก็ดื่มได้แต่อย่าไปดื่มเพราะเราอยากเท่ากันแต่ถ้าคนนึ่นเขา เขาคิดถึงเรามาเยี่ยมเราซื้อกาแฟมาฝากอย่านี้ก็เราก็ดื่มได้หรือไม่ดื่มก็ได้คือคือไม่ไม่ให้มันติดถ้ามันติดแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะต้องดื่มอยู่เรื่อยๆหนูว่าติดยานอนหลับต่ออาจารย์อ่าก็ต้องเลิกมันเลิกแล้ว ต, ตั้งแต่มาฟังคําพระอาจารย์เลิกได้ไงนี่ยก็เห็นโทษของมันไงมันต้องต้องอาศัยมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีมันก็จะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยอ่า ต้องไปโรงพยาบาลกรงทเทศตลอดอแต่ช่วงนี้หลับแล้วก็ดูลงไปพูดโทรไปใช่นั่งสมาธิไปเดี๋ยวนี้ก็หลับเองเห็นั้นปัญญานี่มันต้องมันจะฆ่ากิเลสได้มันต้องมีสมถะใจมันต้องมีมใจต้องหยุดได้ถ้าใจหยุดไม่ได้มันก็หยุดกิเลสไม่ได้ ก็ปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วทุกวันไม่ใช่แล้วเกิดแก่เจ็บตายแล้วทำไมยังกลัวตายอยู่แต่ถ้ามีถ้ามีสมาธิต่อไปมันไม่กลัวตายพรมันรู้ว่ากลัวไปก็ตายไม่กลัวก็ตายเอาอย่างงดีกว่าไม่เอาบาบไม่กลัวไม่ดีกว่านี้มันยังหยุดมันยังหยุดความกลัวไม่ได้เพราะมันไม่มีกําลังแต่พอมีสมาธิแล้วมันหยุดได้พอสมาธินี่มันหยุดความคิด ความคิดเป็นตัวทิดทําให้เรากลัวพอเราหยุดความคิดป้าความกลัวมันก็หมดไปแล้วอยาเราต้องทำสมถะถึงแค่ไหนพี่จะถึงมัน ห, หยุดคิดได้สั่งสั่งให้มันคิดก็ได้สั่งให้มันหยุดก็ได้<ม>เราต้องเข้าสร้างเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาจิตฟุ้งก็หยุดมันได้เวลาจิตอยากก็หยุดมันได้จิตโลก ตรวจหลงหยุดมันได้เพียงแต่มันสมาธิมันหยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นมันเหมือนเหมือนเหยียบเบรกได้เหมือนกับปิดไม่เหมือนกับปิดเครื่องถ้าปิดเครื่องนี้มันปิดท่อนเดียวมันไม่ต้องเหยียบเบรกละตายเลยเหมือนก็ยากเห็นทับที่ก็แยกห็นทับเนาะพอเอาเห็อนออกก็แยกถกมันงอกขึ้นมานถ้าอยากจะไม่มันงอกต้องถอนรากนี่ต้องถอน ตอนที่ความอยากะตอนที่ความหลงความหลงก็คือคิดว่าเดิมกาแฟแล้วมีความสุขต้องเห็นว่ามดิมแล้วทุกข์พราะมันต้องดื่มไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์เหมือนติดยานอนหลับทุกอย่างอะติดรองเสียงกลิ่นคนติดยาเสพติดติดยาเสพติดติดเล่าติดดูรีติดละครติดแฟนติดอะไรนี่เหมือนกันทั้งหมด พอติดแล้วมันทุกข์กันพออยากแล้วมันใจมันหงุดหงิดแล้วต้อง <c oughs> ต้องต้อ ง, ต, องต้องกินต้องดูต้องฟังตามความอยากถึงจะหายแต่หายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากใหม่ <c oughs> ต้องอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาใดที่ไม่ได้ทําตามความอยากก็งหงุดหงิดทุกข์ดินแต่ถ้ามีสมาธิเราจะหยุดได้ <c oughs> เราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดพระปัญญาบอกว่าให้ hey, อย่าทํานะทําแล้วมัน มันเรื่องยาวมันไม่มีวันจบลองทําแล้วมันต้องทํำไปเรื่อยๆลองอยากอะไรแล้วมันต้องอยากต่อไปเรื่อยๆท่านหยุดมันดีกว่าถ้าไม่มีสมาธิมันหยุดไม่ได้ไม่มีกําลังมันมันหงุดหงิดมันเราเลยเอาธรรมะของพระอาจารย์อุกห์วัดประจันมเนี่คิดเนี่ยให้ฟังแต่ธรรมะพระอาจารย์นี้แต่นั่นวันพูุเน่าเดี๋ยวไม่ลาบิดแต่เดียพระอาจารย์หลับเลยน ไม่ค่อยรเอ่อไม่ไม่กลัวเวลานอนไปฟังเดี๋ยวไอตัวต่างๆมันไม่มาอาจารย์ไม่ไม่ไม่มานะแต่ฟังฟังพระอาจารย์ทุกคลิตจะมาปฏิจจสุมุปาพระอาจารย์นี้ไม่มาเลยประอาจานี้ในระหว่างวันเราก็ต้องถ้าเวลาเราทํางานก็ต้องพยายามรู้สึกตัวขึ้นบ่อยๆฝึกสติไว้ก่อนหยุดความคิดต่างๆ อย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดคิดกับเรื่องที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นอย่าไปคิดถึงว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นมาพรุ่งนี้จะไปไหนทําอะไรคิดได้ถ้ามีความจําเป็นจริงๆก็คิดคิดแล้วก็เสร็จเช่นพุ่งนี้เป็นวันที่อะไรมีธุระกับใครก็คิดต้องทําอะไรคิดเสร็จแล้วก็หยุดแต่อย่าไปคิดวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงบ้านเมืองจะ เป็นยังไงใครจะมาเป็นสังฆลกสังฆราชคารมนนงมากรัมีคนมาถพระอาจารย์เยอะามพาจเอเลยสังฆราชที่แท้จริงไม่ต้องแต่งตัง<ม>้งพระอาจารพระพุทธเจ้านี่สังฆราชองแรกองค์ต่อมาก็พระอาหันห้าร้อยลูกพระพุทธเจ้าตายพระอาหนห้า ร, า500ร้อยลูกท่านก็ม า, ม า, ม, ามาทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า สังฆายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะมาเป็นเป็นผู้ที่สูงสุดในในศาสนาพถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับพระล้วใ่ ไ, ใไใแล้วพระที่มีกิเลสเหมือนเรานี่มาตั้งให้เป็นสังฆราชทำไก็เหมือนจับลริงมาใส่เอใส่ใส่ชุดสังฆราช <c oughs> มันก็ยังเป็นลริงอยู่นน่นอนแต่หนูว่ามีมีพระโ็ดีเหือนกันนะท่าอาจารย์ ทำได้ค้านตลอดด้มีเหมือนแบบพระอาจารย์อยู่เฉยๆนี่ก็ไม่มีใครรู้ไงเดี๋ยวได้รู้ว่าถ้าเที่ประท้วงท่านยังไปไม่ไม่ต้องรู้ท่านก็ไปเป็นีิหมือนเขารู้ก็พอกันถึงก็แล้วถึงก็ลาขาก็แล้วพระอาจารย์ตอนที่สมัยสมัยที่พระเจ้าเจ้านะก็สารีบุตรกับพระโมคคลานะท่านก็ ไปไปชวนญาติมากลับมาเหมือนกันนะอ่าก็พระพุทธเจ้าสั่งไปพระพุทธเจ้าสั่งไปไปให้ไปเจรจาเป็นมือขาวพระพุทธเจ้าเป็นเลขาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแย่ซะขนาดนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องดูดูผลเอาใช่ไหมคะว่ามันเป็นสมาธิที่ลึกพอไหมคือดูความสงบความสุขแล้วก็ดูว่าสามารถ นำไปเป็นพื้นฐานของการเจริญปัญญาได้หรือเปลก็ดูว่าเวลาที่เราเห็นว่าดื่มกาแฟเป็นโทษนอนเลิกมันได้หรือถ้ายังเลิกไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกําลังพ อ, อถ้ายังติดอะไรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีกําลังพอที่จะตัดมันต้องตัดไปเรื่อยๆตัดสิ่งที่เราติดอยู่ติดทีวีติดเที่ยวติดเพื่อนติดช้อปปิ้งติด อะไรร้อยแปดนี่ของพวกนี้ต้องตัดมาให้หมดมันตัดตัดอย่างนั้นตัดได้แล้วแต่ไอ้ที่จะตัดได้คืขนมถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ตรงหน้ามันก็หันก็ไม่กินได้แต่ถ้ามันมันมาอยู่ตรงหน้าแล้วช่วงที่แบบเบคขามันตัดไม่ได้มันออกจากสมาธิแล้วเนี้ค่ะจ้างแล้วมันก็ก็หยิบกินเอ่ก็แสดงว่ายังไม่ไม่ยอมตัดมันเนี่ยใช่คาว่าตัดนี่สมมติว่ามันตัดตัดควากยารตัดความอยากครับแต่ว่าเกิดจากการโขมครับ ว่าก็ของก็เป็นสติอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ปัญญามันต้องเห็นว่ามันเป็นโทษเหมือนกินยาพิษอย่างเงี้ยถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นยาพิษคุณจะกินไหมคุณยังเห็นว่าเป็นขนมอยู่ที่เป็นยาพิษก็กินแล้วมันทําให้คุณทุกข์ก็เวลาที่คุณอยากกินแล้วไม่ได้กินมันจะทุกข์ขึ้นมา ยิ่งเป็นท่านี่เห็นได้ชันเลยตอนบทใหม่ๆเห็นของเลื่อนลงมาเฮ้ยอยากก็ว่าพอมาถึงนี่เอาหายไปไหนแล้ววะทุกทันทีเลย เ, ออเสียดายเสียใจพระอาจารย์คะมันชอบเหมือนกับว่าครั้งสุดท้ายนแหลมันก็เราแล้วังหมดตลอมีมีมีอย่างหนึ่งที่ที่มันช่วยได้คะ่ะที่พระอาจารย์จะสอนว่าถ้าอยากยังอยากหรือก็ต้องเกิดก็เลยคิดว่า ถ้ากินขนมเนี่ยมันจะต้องไปเกิดนะต้องไปเกิดให ม, นะม่นะอย่ารู้ดูค<ม>ิดว่าไม่คุม้มเลยขนมชิ้นเดียวต้องไปเกิดใหม่เจอสามสิบอันนี้ช่วยได้ความอยากตัวอย่างเนีพาไปสู่การเกิดทั้งหมดเพราะมันยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากอะไรทั้งหลายนี้มันต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้มันเสียไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่มาทดแทนเพราะความอยากมันยังไม่หมดเหมืนคนยังอยากเดินทางไปไหนมานเดี๋ยวรถคันนี้เสียรับรองได้คุณต้องซื้อคันใหม่ แต่ถ้าเราซื้อเพราะเราจําเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้อยากรรเราถะสงสัยว่าเหมือนอันนั้นก็ไม่ถ้าถ้ามันจําเป็นต้องใช้ต้องซื้อก็ไม่เป็นปัญหาแล้วถ้าซื้อไม่ได้มันต้องไม่ทุกถ้ามันทุกก็แสดงว่ามันมันยังอยากอยู่ประชานคารถ่ายยงจะขอเนื้อถามเกี่ยวกับเรื่องของความโกอย่าง<ร>มันก็มาจากความอยากเอง มันก็มาจากความอยากแต่สมมติว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเวล า, าสมมติเราปกครองเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กทําผิดเด็กในร้านทำผิดแล้วเรามีความรู้สึกโกรธแต่เราดูเราเราไม่สามารถที่จะไม่ดูดได้ค่ะพระอาจารย์แต่เราดูปุ๊บความโกรธมันจะจากต้องโกรธนานแล้วเราก็ไม่โกรธ อ, อย่างเงี้ยถือมันต้องมันต้องไม่โกรธเลยเวลาก็ทําความผิดก็รู้ว่าก็ทําความผิดแตที่ ทำไม ต, ต้องไปโกรธเขาด้วยแต่การดูก็คือเราต้องดูตามจริงที่เขาทาผิดนี้ก็อยู่ที่ว่ามันควรจะดูหรือไม่ควรจะดูถ้าเขาทำผิดแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องบอกเขาว่าทําไม่ถูก <c oughs> แล้วเพื่อจะได้เตือนเข า, านี้ก็ต้องพูดแต่เราไม่ได้พูดด้วยความโกรธพูดด้วยด้วยความถูกด้วยเหตุด้วยผล <c oughs> เวลาที่โกวดจะห้ามไม่งไปพูดเพราะมันจะพูดมันอาจจะพูดรุนแรงไป เกเหตุจกผลไดไ้พูดได้มันแต่เรื่องความโกรธกับความพูดเป็นคนละเรื่องกันนะแต่บางทีเราชอบเอามาผูกติดกันเวลากโกรธ ถ, ถึงพูดเวลาไม่โกรธก็ไม่พูดแต่คุณเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อเราก็จะถ้าเราไม่ไม่เครียดบ้างเตาไฟฟังดีก็ใส่ก็เราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เครียดเนี่ยแล้วก็บอก ก็ถึงเวลาต้องบอกก็บอกจะได้หวังก็รู้ว่าไม่ถูกถ้าทําอีกก็อาจจะไม่ให้ไม่ทําต่อไปอะไรก็พูดกันได้แต่อย่าไปโกรธเขาที่โกรธรับเพราะเราเราไม่อยากให้เขาทำทำผิดเราอยากให้เขาทำถูกก็เลยโกรธถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทาผิดทำถกหรือทําถูกพอเวลาเขาทาผิดก็เราก็เฉย นี่เราพูดถึงเรื่องการแก้ความกูเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้เขาแก้เขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแก้เขาก็พูดคุยกับเขาบอกเขาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ก็ต่อไปก็ฉันก็ไม่จ้างเธอเนอะยังก็พูดได้ทำให้พูดก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรทําั้งต่อไปก็ก็ทําใหม่เหมือนตำรวจตรงทีก็เมตตาให้แทนที่จะให้ใบสั่งก็ให้เตือนก่อนนะ อย่าทำอีกนะค้าวหน้าผมเจอผมออกใบสั่งให้พ mm hmm. ถ้าทำปิดปอบไร่เขาออกอะไรก็ขอจาว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าผิดนี้ mm hmm. ไม่ยุติธรรมอะไรเราก็ต้องบอกเขาแต่เราเราอย่าไปโกรธเขาคว mm hmm. ามโกรธเกิดจากการที่เราไม่ได้หนังใจอยาก ถ้าเราไม่มีความอยากครับให้เขาทําให้ถูกแล้วก็จะไม่โกรธแต่เรารุ้นลงหน้าคิดไม่ ล, ลงหน้าเผื่อไว้ละเดี๋ยวมันต้องทำผิดล่ะผิดก็ผิดผิดก็เตือนมันถ้าเตือนสามครั้งแล้วมันยังทําอยู่ก็ก็ก็ออกไปแยกทางกันไปแต่คนละทางกันแต่ก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเงินเดือ น, นก็ให้เต็มที่ไม่ใช่โกรธอะไรได้ดันไม่ยอมให้เงินเดือนเขาเองนี่มัน อันนี้ก็เกินไปทําด้วยความโกรธออไลน์เออกแล้วก็เดงเขาไม่ให้เขาอาจารย์ค่ะแล้วอย่างเวลาเราภาวนาค่ะอย่างอ่ถ้าเกิดเราใช้พุทโธหนึ่งพุทโธสองอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ม hmm ันจะทําให้เหมือนกับว่าช่วยความคิดนะคะให้มันไม่ค่อยคิดแต่ว่ามันเหมือนเราอะไปตั้งใจกับพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเนี้ยมากเลยอค่ะอาจารย์ ไม่ต้องตั้งใจใหม่ๆถ้าไม่ตั้งใจเดียวมันก็ไปคิดก็คือถูกแล้วใช่มคะพระอาจารย์แต่มันอาจจะยังไม่ทําให้จิตนวมถ้ามันพุโทโธสองพุโทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าความคิดมันไม่คิดแล้วเราก็ลองพุโทโธอย่างเดียวคือแบบเวลาที่ใช้พุโทโธอย่างเดียวค่ะพ ร, พระอาจารย์เรารู้สึกว่าคือมันจะนานกว่าที่มันจะหยุดคิดพราาะอาจารย์แต่ว่ามันทําให้เหมือนกับ ว, ว่ามันสงบลงแต่ว่าพอพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองเนี่ยค่ะ มันช่วยกําจัดความคิดได้ดีแต่ว่ามันไล่แต่พุทโธ12ึสองสามเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ทําไปจนกระทั่งความคิดมันไม่มีแล้วเราก็หยุดแล้วก็ดูถ้าเรานั่งแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้คําบริกรรมหรือถ้าคําบริกรรมก็ใช้พุทโธคําเดียวก็ได้ทีนี้ว่ามันติดพุทโธไปค่ะอาจารย์คือพอดูลมมันก็จะแบบพอหายใจเข้าก็จะพุทหายใจออกก็จะโธอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่งก็ไม่ต้องดูลมมันก็พุทโธพุทโธไป ก็คือพอเราเริ่มไม่คิดแล้วเราก็เลิกพุทโธหนึ่งพุทโทสองก็ไปพุทธโทอย่างเดียวใช่ไหมคียวก็สําคัญคอยดูว่ามันคิดหรือเปล่ามันเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือปล่าถ้าเผลอก็ต้องเดิงกลับมาคือถ้าตอนพุทโธอย่างเดียวค่ะพอาจารย์มันจะเผลอบ่อยมากค่ะก็จะนับตามไปด้วยเพราะมันบังคับให้เราต้องมีสติมากขึ้นถึงจะนับไม่ไม่ไม่ไม่ผิดค่ะอาจารย์ มันเหมือนมันจะแบบไปเครียดกับมันเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าต้องแบบให้มันเจ้าต้องเครียดกันใหม่ๆเพราะมันต้องสู้ก you know sort of ันเนี่ยมันก็จะเดึงไปแล้วก็จะดึงมามันก็เครียดกันเอ่พอมันมันเบาล่างแสดงว่ามันไม่เครียดพอทักพักแล้วมันก็จะไม่เครียดพอไม่เครียดเราก็หยุดนับก็ได้แล้วก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้หรือถ้าเราเดินแล้วก็ดูล่างกะดูเท้าก็ได้คือ เวลาเดินนะคะพระอาจารย์มันเหมือนมันจะช่วยให้คิดเยอะกว่านตอนนั่งะคะ่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่คุณนั่งนานๆเดี๋ยวคุณก็ต้องเดินนะค่ะขึ้นกินหนูก็ชอบเดินนะคะพระอาจารย์อพอรู้สึกว่าเดินมันน้อก็พูดธโทหนึ่งพูดธโทสองไปมันก็เหมือนกันแต่ถ้าเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินก่อนก็ได้ช่วงช่วงแรกๆถ้าถ้าไหนมันเดินแล้วมันไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ผลก็เอท่าที่มันได้ผลไปก่อน แต่ในความรู้สึกหนูค่ะพายอาจารย์เหมือนก็ว่าเดินเนี่ยมันทำให้เวลามันหมดเร็วค่ะพายอาจารย์คือนเหมือนกับว่าเดินสองชั่วโมงเนี่ยเอ้ยสองชั่วโมงแล้วแต่ถ้านั่งอะค่ะพายอาจารย์สองชั่วโมงรู้สึกมันจะนานมากค่ะพายอาจารย์พรมันอยากจะลุกันก็เลยรู้สึกว่านานเพราะไม่สงบเดินมันยังทำเลยมันยังมีการเคลื่อนไหวก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ว่าอันไงแต่ไงได้ที่สุกต้องมานั่ง ถ้าสติดีๆแล้วมันจะนั่งได้นานมัจะไม่รู้สึกว่ามันนาน<ม>แต่ถ้าสติยังไม่ดีนี่เดี๋ยวมันคิดถึงเวลาแล้ว<ม>คิดถึงนู่นคิดถ<ม>ึงนี่แล้วคิดอยากจะออกคิดอยากจะลุกอ<ม><ม>าจารย์ทำแล้วอีกซีซั่ดได้ไหมครับอันนี้นก็ได้ถ้าอแต่ในนี้สุดมันก็ต้อง ก, กลับมาอยู่ที่คําเดียวใหม่ ๆ, ๆก็อาจจะสวดวนยาวไปเลยก็ได้สวดบททั้งบทเลยก็ได้สวดธรรมจักรสวดอะไรไปเลยก็ได้ถ้าอยากจะสวด แต่สวดเพื่อไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจเริ่มรู้สึกเบาแล้วแล้วก็ลองหยุดสวดดูพุดโูคำเดียวแล้วดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วจะเพลงอาการสามิบสองอาการใดาอาการหนึ่งก็ได้ลมก็ได้โค้งกระดูกก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราจะชอบ แต่ต้องเป็นเรื่องเดียวไม่ให้เป็นเป็นไม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันเพ่งแต่เพ่งให้รู้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวอย่างเดียวยังไม่ให้พิจารณายังไม่ให้นั้นยังเป็นปัญญาอยู่ให้ให้จิตมันนิ่งๆให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียวเพื่อถ้าขาชาค่ะก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปตลอดคนไม่ค่อยได้อแสดงวสติไม่มีกําลังพอที่จะเล็งใจออกจากขา มันไปมันจะไปวิ่งไปหาขาอยู่เรื่อยเราก็ต้องใช้สวดมนต์ไปเรื่อยๆให้อยู่กับการสวดมนต์เดียวมันก็ลืมเรื่องขาชาไปถ้าไม่สวดเดียวมันก็กลับไปหาทีชชายิ่งชาพอไปเจอชามันก็ยิ่งอยากใจลูกอยากจะเปลี่ยนมันก็เลยนั่งไม่ได้สวดไม่ได้ต้องอย่าไปสนใจถ้าเราสวดก็สวดไปอย่างเดียวสวดไปจนกว่ามันจะสงบ ทุกอย่างที่มันลบกวนใจหายไปหมดอมตอนแรกๆที่อาจารย์นั่งสมาธิวันนึงได้กี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็สลับกันทั้งวันอะเดินงานนั่งไปสองชั่วโมงแล้วก็รีกขึ้นเดินแล้วมานั่ง อ, อสลับกันไปเรื่อยๆแรกๆใหม่ๆเลยอะที่บวชใหม่ๆอะจอ้ะอ๋อตั้งแต่ยังไม่บวชตัวงแต่งไมบวชแก่อนตั้งแต่เริ่ก่อน <laughs> ก็เอสองอย่างเนี้ยเดินกันนั่งทั้งวันเลยเออทั้งวันสลับกันดูหนังสือธรรมะแล้วก็ทํางานทําการกวาดบ้านถูบ้านเดินนั่งเดินนั่งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นอนนอนก็ธรรมะอีกเงสติก็พยายามทํานี้ไปเรื่อยๆสู้กับความอยากบางบางใจอยากออกไปข้างนอกมันก็อยากจะไปก็ต้องสู้กับมัน มันก็ตามเตือนมันไม่ไม่มันไม่ค่อยมันพูดยากไอ้ตัวอย่างนี่มันมันไม่มันมันไม่ตายง่ายๆอมันอาจจะเบาลงอ่อนลงอะไรอางเงเดี๋ยวบางทีก็โผล่ไปแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันแล้วก็พุทโธของเราไปนั่งสมาธิของเราไปเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวเราเผลอไปคิดถึงมันนี่มันก็มาอาจารย์จะจะหยาบอะไรอย่างนี้ก็ตามหัวตั้งแต่ยุยุ่ยสิบแปดไมหรอคะ ออแล้วอยากไปเที่ยว อ, อ, อยากไปเที่ยวอยากกินเหล้าอยากดูนนหนังอยากเล่นกับเพื่อนอะไรไก็ไปก็อยากจะออกข้างนอกบ้านเหมือนคนทั่วไปไม่มีใครอยากจะอ ย, อยู่ในบ้านคุมไว้ตลอด ไม่ไปไม่ไปแต่บางทีก็แพ้มันบางทีวันลอยก็ทมมาถึงนี่ก็ทมไม่ไหวฮะออกไปให้หน่อยแต่เขาเลิกมากแต่ไปมันไปแล้วมันไม่ไปสนุกเหมือนเดิมเพราะมันมันไปแบบจืดจืดชืดชืดไปดูแล้วก็เศร้าเศ้าอย่างไงก็ไม่เลยอันนี้ก็สนุกแต่เราไม่สนุกกับเขาแล้วก็เลยพอกลับไปบ้านมันก็เศร้าเหมือนเดิมมันก็มันไม่เหมือนก่อนแต่มันยังยังออก พอออกไปแล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนมันจะมีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อก่อนมันรู้มันไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันทนไม่ได้ที่จะไม่ได้ไปมันก็เริ่ต้องไปแน่นอนมาไปแล้วก็อถารนั้นแต่ว่ามีอะไรพอบทได้ปีหนึ่งก็มาธรรมะเลยไม่ไปพออยู่วัดก็ไปไม่ได้เลยปิดตายอย่างนี้วัไปอยู่กับหลวงตาท่านไม่ให้ไปไหนข้างนอกเกินนิดนวลท่านก็ไม่ให้รับ ห้าปีมันรู้เลยมันรู้แต่ไม่รู้รู้ตรงไหนมันรู้ไปเลยระหวังอย่างไรสิมันก็อยู่ตัวเนี่ยมาอยู่นี่เมี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปีสองเจ็ดเนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลย บ้านต่างบ้านต่างยังไม่เคยไปเลยนี่ตั้งแต่มาออกมาแล้วก็ไม่เคยกลับเลยตอนพระหลวงปู่พระไม่ได้ไปทั้งนั้นไม่ได้ไปน้ำศพก็ไม่ได้เป็นรถงานศพก็ไม่ได้ไปไปทำไมท่านอยู่ตรงนี้แล้วไปไปเจอท่านหรือเปล่าใช่ไหมนี่ท่านก็อยู่ตรงนี้กราบทุกวันอยู่แล้วทำไมต้องไปตรงนู้นทำไม สมัยก่อนไม่มีลูกอนจจะต้องไปแน่หนึ่งนนี้มันมีลูกแล้ไม่ไปท่านก็มาท่านก็มามาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ยังมาเหรอคะไม่ตอนที่ท่ามีลูกตอนนี้ก่อนทัานสิ้นนหอครัก่อนท่านสิ้นทามาอยู่ที่นี่ท่านก็แวะมาเรื่อยๆปีสองปีท่านผ่านมาท่านก็แวะมาเี่ยม มีสองปีสอสามปีทัางก็แวะมาทีแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องต่อสู้ความอยากกันเอมีการไม่มีความอยากบ้างมันยากาามากเลยครับอาจารย์มันยากเพราะเราแม่อาจริงไม่เอาจริงเขาจังกับมันเราเนี่ยมามาสู้กับมันปีหนงนี้เพิ่งมาสู้กับมันได้สักเจ็ดวันสิบวัน แล้วเดี๋ยวกลับไปทําตามความอยากต่อตอนนี้ไม่มีแล้วมึงทำไปตามตอนนี้มีแล้วมั้งมีนะมีความอยากไปนน่นไปมีอยากจะอยู่คนเดียวอยาไม่ต้องมาสั่งมาสอนยากเลยงทุกวันอยากเี้ยงาสั่งมาสอนมัม่ได้นี่ <c oughs> ถ้าไม่กินได้คถงถบายนะมันนี้ไปอยู่ในปากคนเดียวโดยต้องอยิ้มใคร <c oughs> มันยังมายังต้องกินอยู่มันก็เลยต้องต้องเจอคนต้องอาศัยก็ ภาษาเขาก็เลยต้องใช้นี่เขาแต่จริงไม่อยากจะเจอใครวันวันยังอยู่คนเดียวสบายนั่งเนียอยู่คนเดียวไม่มีหี้วก็นั่งอยู่เฉยๆสบายสบายมันก็พิจานมันก็มันอยู่แบบปกติเพียงแตไม่ไม่มีความอยากมาลบควณใจนะนี่ไม่ต้องอยู่ในช้างอมันก็อยู่เฉยๆมันนี้ก็เหมืคุยกันอย่างเนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่มีความอยากมาลบกวนใจ ก็อยู่ข้องมันไปสบายสบายแล้วหนะ้าเทปว่อาจารย์ใครใใครดิบใครไปสูงขึ้นมาพอาจารย์ลุกสินลุกขานุ<อ>ากสินลูกหาดิญาติโยมที่มาทำาบบนี้ที่มาู<อ>ปฏิบัติคือตอนตอน้ตนมีมีมีคนที่ก็ททำสถานีวิทยุทีก <c oughs> ะเดย <c oughs> ชื่อคุณต่อเนี่ยเ้วเป็นคนมาเริ่มล้วเป็นคนม า, เ, ม เ, นนมาเอาเทปเอาไมโครโฟนอะไรมาอัดเสียง แล้วเขาก็ไปเปิด facebook แล้วเขาก็เอาไปโพสตใน facebook แล้วก็ทํำเว็บไซต์คณะศิษยมันตอนต้นทาผู้ชายคนเนี้คนเดียวชื่อคุณต่ออยู่ที่พัทยาคุณใช้ชื่อของกาารย์เลยใช่ไคะแล้วตอนหลังเขาก็มาเขาพอเขาเลิกทําก็มีลูกศิษย์คนอื่นมาช่วยกันทํำเดี๋ยวนี้ก็เปิดสามหน้าหน้าภาษาอังกฤษก็มีหน้าคณะศิษย์หน้าของเราหน้าของเราก็มีสองหน้า หน้าเขาเรียกอะไรหน้าหน้าแฟนเพจอันหนึ่งแล้วก็หน้าหน้าหน้าอคาลหน้าหน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์พอเปิดโปรไฟล์แล้วก็สามารถเปิดหน้าแฟนเพจได้มีเปิดแฟนเพจแล้วเปิดคณะศิลป์เปิดภาษาอังกฤษแล้วก็มีเปิดกลุ่มธรรมบุญเขาอีกนะเขาก็เปิดนี่ก็ญาติโยมที่มามามาทําบุญฟังเทพฟังธรรมแต่ละคนก็บางคนบางคนก็ต่ แบ่งรับกันไปวันนี้ทำาคนหนึ่งก็โพสไอ้ธรรมะโดนใจทุกวันคนหนึ่งก็โพสไอ้คาสอนสั้นที่เราเทศวัลละสองสองสองเรื่องไอ้แล้วก็เอา YouTube เก่าที่เคยเคยเคยเคยโพสแล้วเามาโพสใหม่โพสทุกวันเหมือนกันประมาณปีสี่ปีห้าส่วนให ญ, ญ่เ <5. S 1> ราจะโพสตอนเย็นตอนค่ำเป็นวละราว่าง เราก็ไปเอาย t u b e เก่าที่เคยเทศมาแล้วแต่มันของเมื่อสองสามปีสองปีมาแล้วนี่มันตอนนี้เราก็พูดเองอันนี้เราก็พูดเองอ ม, ม, มันก็เป็นมันเทียนเดียวกันทุกคนมีพลาดห่วยกันหลายคนนี่เราไม่รับปากว่าเวลาใครไปทำอะไรผิดถูกยีงมาโทษเราไม่ได้เพราะเหมือนไม่ มันเป็นรถคันเดียวนขับต้องกุญแจต้องหลายคันเดี๋ยวใครขับรถไปขโมยนี่อาของมาแล้วยังมาโทษเราเป็นคนไปขโมยไม่ได้รือว่าใครดิบขึ้นไปหน้าเก็้าจาแล้วก็ดีมีคนมาลับพอขึ้นปึ๊กหนูก็ดิบปั๊บเลยแชร์เลยอะไรทําั้นโดนใจนี่บางบางอันนี้มันคนคนดูต้องห้าหมื่นคน เขาแชร์กันส่งกันไปส่งกันไปตอนนี้ดูขึ้นต้องห้าหมื่นสปริงสปาร์มนี่ยยังเหมือนเป็นขนาดนั้นดูสถิติวันเยอะจะมาเยอะกว่านคนก็เลยรู้จักจากมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็มาดักสายบาตที่บ้านอำเภอมากขึ้น วันเสาร์อาทิตย์คนบางทีเข้ามาพัทยาหรือเขาว่างบางทีก็ขับรถมาใส่บาตรวันนี้เห็นเขาขับมาจากกรุงเทพเลยอาจารย์งา<ม>นเขาบอกเหยียบชั่วโมงยี่สิบนาที<ม>แล้วก็เหยียบดับเลยอย่างเร็วก็ราถมหนูว่าก็ะจไม่ไม่แสดงธรรมะบอกไม่ทราบเหมือนกันเ ฉ, นฉพาะวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระที่ศาลาตอนเช้าบอกว่าให้เขาขึา้นมาบึนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูรีบกลับไปทํางาน อยังมายังเร็วพระอาจารย์ยังมีจบบาตรที่บ้านอำเภออยอยังมีจบบาตทุกวันเลยเที่วกันกี่โมงครับตอนนี้ก็หกโมงคึ่งถึงประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีไหมสี่สิบนาทีประมาณสี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดญาติโยมก็ที่มาก็มาใส่บาตรที่วัดต่อได้ ประชันประมาณ8โมงวันธรรมดา8โมงถ้าวันวันเสาวที่วันพระก็เกือบ9โมงเพราะต้องเทศก่อ น, อนเสร็จก็ฉชันชันเสร็จก็ขึ้นมาพักบนเขาแล้วบ่าย2โมงก็มารักขดต่อเป็น4โมงมก็ชั่วโมงกว่าละเหลืออี 4-5 นาทีก็หมดละไะทำนี้ทุกวันไม่ได้ไปไหน มันธรรมดาไม่ค่อยเว็นล้าเราพูดพราพูดแบบสบายสบายแต่ภาษาที่นี่มันเหมือนต้องต้องต้องพูดเป็นเรื่องเวลานยาวว่าทำเนียดจริงจลดความยากให้ได้แบบพระอาจารย์ก็ต้องตัดก็ต้องต้องตัดต้องไปอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆสิ่งที่มันไปอยู่ที่มันไม่มีให้ดูมันก็ไม่ได้ดูอย่างน้อยมันก็มันก็ไม่ได้ตัดแต่อย่างนั้นมันก็ลดมันสะพานเชื่อมกันไม่มี ไปดูที่ไปอยู่ที่มีของที่เราชอบเดี๋ยวลราก็ต้องเดินเข้าไปหามันแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีให้เราชอบเราก็ไม่มีถึงแม้ว่ามันไม่ตายอย่างนั้นมันก็ทำให้เรารู้จักอดเราพอเราอดได้ล้วก็บอกให้ไม่ตายหนิะ <c oughs> นี่จะอดจะเลิกได้อย่างเท้าวันต้องเห็นพิษของมัน <c oughs> เห็นพิษ <c oughs> เห็นภัยของการที่เราไปของความอยากทำให้เรานี่เป็นเหมือนกับเป็นธาี้ เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเนี่เราต้องไปทำตามความอยากทุกครั้งบางทีก็ลืมหลักอารลืมตัวทานเยอะออกตาก็กินแบบไม่มีสติไงตอนนั้นก็พระพุทธ้อกก่อนจะกินให้พิจารณาฝั่งแล้กินเพื่ออะไร<ค>เรากินเพื่ออยู่แลอวเราอยู่เพื่อกินพระพุทธจ้าบอกให้เรากินเพื่อดับความหิว<ค>ไม่ได้กินเพื่อให้อิ่มให้ดับความหิว ถ้าความอีกนี้มันมีมันมีความหมายเลึกซึ้นกว้างขว า, วางก็นขนาดไหนไม่ไดกินสองตอนไม่ได้กินสองตอนเลยไม่ได้กินเพื่อความสุขสนานเฮาไม่ได้กินเพื่อความสุขใจกินเพื่อดับความหิวดับความทุกข์ของร่างกายเท่านั้นเองแล้วถ้าอยากจะ อยากจะควบคุมความอยากก็วเวลากินให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอย่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานดูอาหารที่อยู่ในปากเวลามันเข้าไปในปากเข้าไปในทอ้องหรือว่าถ้าอยากจะปลามันไม่ให้กินมากๆก็เอาของทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี่มารวมกันไว้ในชามก่อน <c oughs> แล้วคนมันคุกันเข้าไป <c oughs> ขนมเค้กกาแฟส้มมะส้ ม, สมแตงกวา แกงจืดแกงเขียวหวานแกงอะไรใส่มันเข้าไปอะไรที่เข้าไปในท้องนี่เอามันใส่ในชามกระมังสักใบหนึมือนผ้าชั้นในบาทรอย่างเดียวเดี๋ยวก็อลยพอได้กลิ่นมาอ้วยิ่งแบบอาลองกินแบบที่เราบอกดูเนี่ยทุกครั้งอยากจะกินนแล้วให้มันกินเป็นเวลาเวลาแล้วแต่และเวลากินนี่ต้องต้องรวมกันทุกอย่างเข้าไป เป็นมื้อนี้จะกินอะไรเลยจะอะไรจะเข้าไปในเท้ามื้อนี้เอามาใส่ในกลางมาังก่อนแล้วก็มารวมมาคนมาอะไรเสรแล้วค่อยตักกินเข้าไปสุกี้อคุณเข้าไปก็ยิ่งอร่อยจ้ะ <c oughs> ลองลองคนกับน้องเค้กดูเนี้ยจะอร่อยนะเอนนอลองสุกี้กไป คนกับคนกับต้นเรียนลงไปคนกับมะม่วงคนกับอะไรเพราช่วงนั้นเราไม่มีเนี้ยไปที่ร้านมอย่าไปกินที่ละอย่างเข้าใจไหมให้มันของทุกอย่างที่เราจะกินนให้มันกินไปพร้อมพกันเลยถ้าที่ร้านไม่มีให้กิน็ซื้อมากินที่บ้านได้ถ้าไปกินที่ร้านก็เอาแบบนี้สิ ตอนเด็กมึมาถามพี่ยาวอะไรอะไรก็ได้มึงจัดมาเกี่ยววายท่าน่าจริงครับอถ้ากินเพื่อร่างกายร่างกายมึงกินได้ทุกอย่างอ่ะเพราะร่างกายคนหนึ่งเขากินได้เลยร่างกายเรกินไม่ได้ไอ้ที่กินไม่ได้คือใจมันไม่มันไม่ชอบกินแต่ใจไม่ได้กินที่ไหนใครเป็นคนกินเวลากินเนี่ยใจกินแล้วร่างกายกินแล้วใจไปวุ่นวายทําไม นหละวิธีกําจัดความอย่ากไงเวลาเวล้านาหาก็สั่งไอ้หนูหนูจัดมาให้พี่กินเท่าไหน่อยอะไรก็ได้สองสามอย่างบอกเลยคุณเราเหมือนพระเห็นเวลาเรียงพระพระบอกห้วอเปล่าโยมอาตมาจะสุกี้วันนี้แต่สมัยนี้มีพระเนี่ยช้าพูดบอกโยมอั้นเงี้แต่พระจริงๆเขาไม่พูดอเขาไม่ยุ่งทำมามีอะไรก็กินไป กินให้มันอิ่มดับความหิวกินเหมือนกินยาให้คุณแบบกินยากินเยียวยาความขาดแคลนของร่างกายไม่ได้กินเพื่อความสุขใจใจไม่ได้กินเท่านหรอใจเพียงแต่รู้เ่านัรู้ว่ากลังร่างกายกําลังกินนั้นนั้นลดอย่างนั้นลดอย่างนี้แต่ตัวใจไม่มีท้องมไม่มีปากมันอาศัยร่างกายอาศัยปากของร่างกายอาศัยท้องของร่างกายร่างกายเป็นกายเป็นตุ่มขึ้นมา ร่างกายมันก็ไม่อยากจะเป็นตุ่มแต่ใจก็บังคับให้มันกินอยู่เรื่อยเนี่ยต่อไปมนุษย์นี่จะกลายเป็นตุ่มเพื่อไปดูประเทศที่เจริญหนูเนี่ยประเทศที่ร่ํารวยกินกันทั้งวันกินกันทั้งเป็นตุ่มไปหมดแล้วไม่ยอมลดเลยนะเขาลดยังไงมันซื้อความอยากไม่ไหวอ่ะเคอเดือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วอาหารแต่ละชิ้ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจานเท่านี้ คิงไซส์ <c oughs> มาปิ้งมาอีกอนั่นแหละนี่หละคือการเจริญทางโล ก, ก็จะเจริญด้วยกิเลนเจริญด้วยความอยากไปกินกันใหญ่ <c oughs> กินกันใหญ่เที่ยวกันใหญ่เล่นกันใหญ่แล้วพอไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวมันทุกข์กันใหญ่เวลาร่างกายแก่ไม่อยากจะอยู่ฆ่ากันฆ่าหาวิธีฆ่าตัวตาย ต้องต้องต้องเรียนมหาวิทจาลัยทุกวันเนาะแต่แกไม่ต้องไปไหนเนาะมาอยู่แต่บนเขาก็นั่งฟังไม่ต้องไปเดินเจ้ปไม่ต้องไปตามไม่ต้องดูหนักอะไรอย่างเงี้ยเพรามันติดเนาไม่ต้องมาทุกวันเหรออยู่บ้านก็ได้เรากลัวเราทุกวันเงี้ยมานั่งฟังธรรมะอาจารย์ธรรมะนี่อาทิตย์ละครั้งก็กานไปในกะโหลกแม้มันฟังวันเดียวทุกวันมัน นี่เอาไปฟังที่บ้านมังก็ได้ฟังอาจารย์ฟังอะย่างเี้ยไม่หมดเลยหนังสือแล้วสอนทุกวันไม่ไหวเหรอสอนคนซ้ำๆทุกวันเนี่ไม่ก็คุณอื่นอาจารย์สอนคุอื่นก็มานั่งฟังไงมันจะได้ตึงกข้าไป วันนี้ซื้อเมื่อไงลองเราลองเอาไปทำดูที่พูดต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนวันนี้ดูเขาะวัน้คยว่อดี๋ยวเหัดนะวันนี้เดี๋ยวจัดให้จัดเไปที่วัดออะไรเดี๋ยวจัดให้เอาเดี๋ยวมอ้มีอะไรยหมชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้พรกันนะ ยะถาวาริวาหาปุราการิปุเรนติสาคขังเอวเมวะอุตโตินังเตตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตามตุมหังคิดเป็วมวะสมิจชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ ระโสยะาสภิตโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตาราโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนศีนิษฐนิจจังวุฒาปะจายโนยตาโรธรรมวาธานติอายุวโนสุขังพาลัง เป็นหมอทั้งคู่เหรอยัหมอบ้านค่ะหมาทั้งคู่เลยจดจากที่ไหนจดที่สมคามจบพแก่นจากอลาัครับจบที่สมุนปการครับหมอปลาก็ทางานที่สมุนปการโรงพยาบาลเนี่คลินิกส่วนตัวครับไม่ก่อนนั่นแหะกอนที่มาเจอใช้ทุนใช้ทุนนี่ใช้ทุนที่เทศบาลสมุนปการ เป็นอะไรเป็นอินทรบารมีเราเป็นใช่ที่ไหนเหมือนกันครับที่เดียวที่เดียวจะพัทตะลาวอะไรมาเจอ้งให้ีูพยายามเวลามาปฏิบัติของเราก่อนเถอะพยายาตั้งอะไรนี่ไว้รอให้เราเอเรียนจบก่อนจบแล้วเราค่อยมาทําหน้าที่เผยแผ่ ต่อไปเรียนเรียนธันตกรรมเนี่ยเรีย น, ย น, ยนยไปก่อนเรียนให้จบก่อนแบบว่าที่นี้ก็มาทาบริการธันตกรรมได้ตอนนี้เรายังไม่มีธรรมะเราไม่มีธรรมะไปไป <c oughs> ไปแจกจาก่าย <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นทาเมามากกว่า <c oughs> นี่เป็นเพื่อนกันเราเจอกันที่ไหนนะเพิ่งมาเจอกันที่นี่เหรอมาเจอที่นี่เลยที่บ้านนี่เลยถูกใจเลยพอดีไม่มีพุอนโนเลจานน้องมีคนหนึ่งเขาเขมาอยู่พัทยาเหมือนกันเนี่ยป้าคนนีสัพเพคืค่ะมาเจอที่วัดกันสั่งคุยกันปลุกใจกันเลยตากันชวนกันเลยนี่เขาจะมาถือตี๊กแปแล้วนะอาจารย์ถือติ๊กได้ยัไม่ได้ ูก็พาพี่ก็มาอีกคนเออดีชวนเพื่อนเพื่อนใหยอมมาเลยไม่ยอมเชื่อนุ้นล่ะนุ้นล่ะาสินแต่ได้ไงย่าสีหน้ไม่ได้สินหน้าได้บางทีก็ขาดโพสเจอร์ลืมตัวสัคุยมากวันนี้สินหน้าเขาห้ามแค่ไม่พูดปวดท่านั้นไง พูแจเขายังไม่ได้ละการเ่อนดจ้ลแจนี่ต้องเป็นสียแปดสียห้าก็ยังไม่ได้บังคับให้พูดคือให้พูดความจริงอย่าให้แม่พูดโกหกพอสียงแฝดต้องเพิ่มอีกสองข้อท่านม่ประธา อีกสามเจากห้าห้าบกสองอะไร้นาแต่งหน้าด้วยนะทำแต่งน้แต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวเสิมสวยให้อยู่แบบธรรมชาติจะไปไหนก็อยู่บ้านอยู่วัดจะไปโชว์หน้าโชว์ตาอะไรกับใครมันจะนิห้ามร่วมหลับนอนกับคนอื่นนะที่ให้สวยคณจะได้มีแฟน จะได้มีแฟนร่วมหลับนอนด้วยเพื่อนบอกเพื่อนบอกแฟนตอบแน่ในางนี้ไปแต่วัดเพื่อนเพื่อนเขาบอกวาหนูเพี้ยนนะฮะใช่ก็เพี้ยนหยัดหง่ะไม่เหมือนเขาแล้วก็ว่าเราเพี้ยนน่าน่าถึงันนี้แต่พระจางเขาบอกว่าแฟนแฟนเพื่อนหนูมาจากอังกิตเขาบอกว่าเออดูเคลตี่แล้วอะเยา มีแต่มีแต่พระอาจารย์นั่งหน้าไม่จะไม้เ น, นะพวกฝรั่งที่เคยเรียนหนังสือร่วมกันกับเราพอเราติดต่อเขาพอ เ, าเขาเารู้ว่าเราเป็นพระเขาอยู่ติดตาอหนูลองไปดูหน้าเฟซบุ๊ใครจะมาโดนไล่มั่งเ ม, ม, <อ>มื่อก่อนตีแต่รูปตัวเองุอมากันปิ๊มสิเพื่อน ตอนนี้หายเกี Rodriguez> ้ยวหมดเลยชอบหน้าเราเลลองลองลองให้ดูว่าใครถึงทำมาใครถึงถึงวัดมั่งยังไม่มีใครถึงเลยยังไม่มีใครถึงตั้คืนเลยว่าเพียนนะบอกยังไม่ได้สตาร์ทเลยกับเพี้ยนเลพุ่งยังมาอ่อ นั่นพอมันน็อตท่านนีมกไม่เหมือนกันแล้วมันก็เรีว่าเพียนะเีก็บอกเพียนไปแล้วมากไปแล้วเนี่ยมากไปแล้วก็บอกเพื่อนๆอ่านั้นในราเาก็เหมือนกันเ่พอเราเลิกเที่ยวเลิกคบคนก็ถามว่าเราเพียลเงินถุงงต่างมาชวนไปก็ไม่ไปชวนเ่เยอก็ไม่ไนี่ก็เรียกไม่ชีลนะอาจารย์ไม่ชี้จิ้เมื่อไรจะไปอยู่วัดเลยไม่ต้องไปย่างไม่ชยง